ที่ประจักษ์กุยานที่พิจารณาจุติอุบัติปฏิสนทิสัตที่ได้ได้ดีตกยากผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามอานมีอาการดีมีอาการชั่วว่าหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอันนหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมสัตว์ที่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใ จ, าจาเป็นมิจฉาทิฏฐิเตียนพระเรียเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าสัตว์ที่ กระทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติตเตรียมท่าเรียเจ้ากระทํากรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นการแผ่แสงสว่างอันนี้ก็คือแผ่แผ่ให้รู้จุติปฏิสนทิรู้กรรมรู้ผลของกรรมขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มีการพิจารณาสมาธิอันนั้นด้วยเรียกว่าปัจเจกขณะอย่างก็คือพิจารณา พิจารณาองค์ฌานพิจารณาองค์ของปฐมฌานพิจารณาองค์ของทุติยฌานพิจารณาตติยฌานพิจารณาจตุทฌานพิจารณารูปฌานพิจารณาอรูปฌานนั้นมีการพิจารณาองค์ทั้งพิจารณาเพื่อเพื่อจะเจริญคุณธรรมยิ่งย่งขึ้นไปหรือพิจารณาเพื่อพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าแผลปีติแผ่สุขแผลจิตอันนี้เป็น สมถะเพราะการสำเร็จด้วยอำนาจของสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานพวกนี้เป็นเป็นไปกับสมาธิเป็นสมถะส่วนการแผ่แสงสว่างและก็นิมิตคือปัจเจกขณะยานอันนี้เป็นวิปัสสนาเพราะสำเร็จด้วยยานมันสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิที่คละเคล้าเจือไปด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาเป็นสมาธิที่เป็นบาดแห่งวิปัสสนาเป็นความสงบที่ เกื้อกูลต่อความรู้และความรู้ที่ถูกต้องเป็นเกื้อกูลต่อความสงบผู้ที่สงบจึงมีความรู้ผู้ที่มีความรู้จึงมีความสงบผู้ที่สงบนะมีความรู้แบบไม่ฟุ้งซ่านนะเป็นความรู้ที่สงบและก็ระงับปันสมถะวิปัสสนานั้นจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปเบื้องต้นในระดับโลกิยะคละเคล้าสลับกันไปขณะที่โลกุตระเคียงคู่กันไปแม้แต่บรรลุแล้วก็ยังอาศัยสมถะและ วิปัสนาสมถะเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมวิปัสนาเพื่อสติและสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นสมถะวิปัสนาเนี่ยจึงเป็นธรรมสองที่ควรเจริญเป็นธรรมที่นําออกจากวัตถทุกเนี่ยนะเป็นนิยานีิก็ทธรรมแม้กระทั่งมรรคแเดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้าว่ามรรคแก็คือสมถะและวิปัสนานั่นเองทีนี้ ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ฌานนะ่ะจึงได้สมาธิที่แผ่ปีติสมาธิที่แผ่สุขสมาธิที่แผ่จิตสมาธิที่แผ่แสงสว่างแล้วก็ปัจเจกขณะยานข้อปฏิบัติที่ทําให้ได้ฌานดังกล่าวคืออะไรท่านกล่าวบอกว่าเกษนายาตนะเนี่ยนะกสินเนี่ยนะที่ตั้งกล่าวคือกษินอายตนะคือกสินสิบประการเหล่านี้นะกสินเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้ได้สมาธิดังกล่าวไป กษินเหล่านั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นธาตุกสินกับวันณกสินนะธาตุกสินก็ปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินและวาโยกสินกสินสีประการนี้เรียกว่าธาตุกสินนะมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอารมณ์ส่วนวรรณกสินก็คือกสินสีเขียวนีลกสินสีเหลืองปีตะกสินโลหิตกสินสีแดงโอทาตกสินสีขาว อันนเรียกววันนกสิน์เป็นกสินสีเนี่ยนะก็พิจารณาสีจนเข้าฌานส่วนอากาศกสิน์นี่เป็นอารมณ์ของอากาสารัญจายตนะวิญญาณกสิลป์ก็เป็นอารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะสิน์เหล่านั้นเนี่ยนะผู้ที่เจริญปฐวีกสิล์อาโปกสินหรือเตโชกสินวายโยศิลนีลกสินปปีตกสิลปโลหิตกสิลปโอทาตกสินกสศินป์แปดเหล่านี้ ทั้งธาตุกสินหรือวั น, นะกะสินเป็นสมถะนะกสินแปดเหล่านี้เป็นสมถะอากาศกสินกับวิญญาณกสินนั้นเป็นวิปั ส, สนาเพราะฉะนั้นระดับอรู ป, ปรชาเนี่ถือว่าเป็นบาต ท, ที่ทําให้บรรลุวิปั ส, สนาดังนั้นวิปั ส, สนาอันนี้แสดงว่าเป็นประเภทอุปโตพาค ว, วิโมกอุปโตวิโมกนะคือหลุดพ้นโดยส่วนสองหลุดพ้นจากรูปทั้งหลายด้วยอรูปแล้วก็หลุดพ้นจากอารูปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะแสดงว่า อาศัยการเจริญสมถาวิปัสนาโดยพิจารณาอารูปธรรมทั้งหลายพิจารณาอารูปฌานทั้งหลายจึงได้บรรลุมรรคผลมันก็สมถาวิปัสนาก็เคียงคู่กันไปจนได้บรรลุทีนี้สมถะ ท, ที่วิปัสนาที่บรรลุนี่แหละเรียกว่าอริยมรรคทั้งปวงที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วสรุปว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดอยู่พูดอยู่เรื่องเดียวคืออริยมรรค เป็นคุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติอริยมรรคจริงๆก็วิสุทธิแต่อีิศำนวนหนึ่งเท่านั้นเองนะก็พูดจิตตวิสุทธิทิทิวิสุทธิกังขาวิตรณาวิสุทธิมคามคขายาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทายานัศนาวิสุทธิและยาณทัทสนวิสุทธิการกล่าวมาเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการพูดวิสุทธิแต่เน้นพิเศษคือจิตตวิสุทธิเพราะว่าเป็นกลุ่มประเภทสมถียานิกะพวกสมถียานิกะทั้งหลาย ทั้งสมถาวิปัสนาก็เป็นคุณธรรมที่เคียงคู่กันไปเพื่อให้บรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคผลอริยมรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นอริยมรรคก็คือองค์มรรคทั้งปวงที่ประชุมกันขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรัมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดที่ประชุมกันขึ้น หรือองค์มรรคเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่รวมของโพธิปักขิยธรรมเป็นที่รวมของสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาสีอินทรี่ห้าพละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็พึงประกอบกับสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นแหละจะพูดมากมายขนาดไหนคุณธรรมเหล่านี้ถ้าย่นย่อลงมาก็เหลือเป็นสมถะและวิปัสสนาถ้าขยายให้มันเยอะมันก็เยอะถ้าขยายให้มันย่อมันก็ ย่ออย่างที่กล่าวว่าทำหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไรกายยคตาสติที่สหรคตด้วยความสำราญหมายถึงฌานที่เกิดจากการเจริญกายยัคตาสติทำสองที่ควรเจริญคือสมถะพิปสนาทำสมที่ควรเจริญคือสมาธิ่3มทำ4ี่ที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่ทำ5้าที่ควรเจริญคืออะไรทำห้5ที่ควรเจริญคือธรรมขันาใช่ เออขออภัยสมาธิห้าสมาธิห้ก็คือสมาธิที่ปีติสุขนะแผลปีติแผลสุขแผลจิตเป็นต้นที่กล่าวไปแล้วสมาธิห้าเป็นธรรมที่ควรเจริญธรรมหที่ควรเจริญคืออะไรอนุสติ6กธรรมเที่ควรเจริญโพชฌงเจ็ดธรรมแดที่ควรเจริญก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดธรรมเ้าที่ควรเจริญก็คือธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9ก้าธรรมสิที่ควรเจริญก็คือกสิณายตนะสิก็คือกสิณ10 เัราคุณธรรมเหล่านี้ถ้าย่อลงมานับหนึ่งสสาสหก็นับได้ทั้งหมดเพราะก็คือสมถะกับวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเหล่านั้นเนี่ยสงเคราะห์ด้วยธรรม3ประการผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพ้นจากการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไหมบอกไม่พ้นหรอกอ น, นะการพิจารณาหรือการพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนาอย่างไรก็ไม่พ้นจากการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา บุคคลผู้เจริญสมถะตามการเจริญวิปัสนาตามการเจริญวิปัสนาโดยพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังกล่าวไปแล้วย่อมเจริญวิโมกมุกคือคื อ, คอเหตุแห่งความหลุดพ้น3ประการเมื่อเจริญวิโมกมุก3าอย่างนั้นย่อมเจริญขันสามประการเมื่อเจริญขันสามประการย่อมเจริญอริยมรตมีองค์8ประการอันนี้ถ้าเรียงให้มันเป็นลําดับหน่อยนะอันนะกว่าอริยมรตจะเกิดขึ้นเกิดมาจากอะไร อริยมรรคที่ประชุมขึ้นมาจากไหนมาจากเจริญขันสามเอาขันสามมาจากไหนก็มาจากวิโมกขุกสามวิโมกมุกสามมาจากไหนมาจากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตามาจากไหนมาจากการเจริญสมถะวิปัสนาตามการเจริญสมถะตามการวิปัสนาตามการเมื่อเจริญวิปัสนาก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาขอย่อมเจริญนิมุกเมื่อเจริญนิมุก ขันสามประการก็เจริญเมื่อขันสามประการอริยมรตมีองค์8ปก็เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทีนี้ถ้าหากว่าไม่แยกเป็นบุคคลกล่าวตามรายบุคคลบุคคลที่ปฏิบัติเนี่ยนะบุคคลในโลกนี้ถ้าแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มราคะจริตกลุ่มโทสะจริตและกลุ่มโมหจริตบุคคลผู้เป็นราคะจริตเนี่ยนะผู้ที่เป็นราคะจริตถ้าให้เน้นศิกขา ในบรรดาศิกขาสามเนี่ยนะให้เน้นอธิศึกษาในอธิจิตตสิกษาให้เป็นพิเศษก็คือคนที่ราคะเนี่ยพูดแบบภาษาหนึ่งก็คือคนหิวอ่ะถ้าคนหิวต้องเน้นอิ่มซะก่อนเนี่ยนะสมาธิเนี่ยเป็นความเ อ, อิบอิ่มด้วยปีติสุขที่เกิดจากวิเวกมันก็ดับความกระหายคือตันหาถ้าว่าเป็นคนที่ราคะเจริญเนี่ยกวรซ่องเสพอสุภกรรมฐานเป็นต้นเพื่อให้อิ่มอกอิ่มใจซะก่อนเนี่ยนะ อสุภะนี่เจริญเพื่อความอิ่มไม่ใช่อดอยากหุยหิวทางจิตวิญญาณเนี่ยนะให้จิตเนี่ยสงบเอิบอิ่มด้วยอํานาจของอาทิจิตตสิกขาพันธ์ก็เจริญอาทิจิตตะิกขากล่าวคือสมาธิเน้นพิเศษในการละอกุศลมูลคือให้เน้นละโลภะที่เป็นอกุศลมูล น, นะเน้นพิเศษนะการละโลภะที่เป็นอกุศมมูลไม่ให้ไม่ให้ใกล้ชิดภาษะที่เป็นเหตุแห่งสุขเวทนา หลีกเลี่ยงผัสสะที่เป็นเหตุแห่งความสุขซะคือปกติก็เป็นคนที่ติดสุขอยู่แลหล้วเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิดผัสสะที่เป็นเหตหุใกล้ต่อความสุขเพราะฉะนั้นพวก น, นี้ถ้าสุขก็ติดแนบติดหนับนะเพราะาออกไม่ได้เรียกว่าหลีกออกยากเหมือนยา ง, งกระชางติดลมงนั้นนะนะนะมันออกยากเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปใกล้ชิดกับผัสสะที่เป็นเหตหุใกล้แ <solely S 2> ห่งความสุข แล้ที่สําคัญคือให้ทําปริญญากําหนดรู้สุขเวทนาซะ น, นะเน้นพิเศษคือเน้นพิจารณาสุขเวทนาพิจารณาเห็นว่าสุขเวทนาเป็นวิปริณามทุกข์ความสุขเหล่านี้เป็นของยั่งยืนหรือความสุขเหล่านี้จะเป็นของที่มีตลอดไปหรือเนี่ยนะก็ให้พิจารณาว่าอนนะกําหนดรู้สุขเวทนาโดยวิปริณามทุกข์เป็นต้น ก่อนที่จะเกิดสุขเวทนาเกิดอะไรมาก่อนก็เกิดทุกขเวทนามาก่อนถ้าทุกขเวทนาหมดไปอะไรเกิดตามมาก็ควก็เกิดความสุขถ้าความสุขหมดไปอะไรจะเกิดก็คือความทุกข์ก็แบ่งเป็นสอ ง, องไม่หัวเราะก็ร้องให้ถ้าตอนที่ถ้าเลิกร้องให้ก็แปลว่าหัวเราะถ้าเลิกหัวเราะก็แปลว่าร้องให้ต่อไปก็มีแต่หัวเราะและร้องให้สลับครเข้ากันไปเพรายามเมื่อหหัวเราะ ก็ให้ระ ล, ลึกถึงไว้เสมอว่าเดี๋ยวก็ร้องให้เนี่นะถ้านะนึกถึงความหัวเราะความดีใจเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ร้องให้เพรมันอย่าไปคิดว่าไอ้ความเสียงหัวเราะเสียงเพลิดเพลินเหล่านี้จะเป็นของที่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวร อ, อะไรเพราะเป็นของที่ไม่ได้มั่นคงถาวรเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาพยายามที่จะชําระความเศร้าหมองมนทินคือราคานะสิ่งที่เศร้ามองที่อยู่ในจิตใจที่ทําให้จิตใจขุ่นมัวคือราคะ กวาดทุลีคือราคาเนี่ยนะถ้าจะกวาดฝุ่นกวาดละองเนี่ยนะ เ, เช็ดบ้านถูบ้านนะมันดีแล้วแต่ว่าสําคัญก็คืออย่าลืมปัดกวาดเช็ดถูทางความคิดอย่าให้ทุลีละองคือราคะเป็นต้นเนี่ยมันกลุ่มรุมเศร้มามองอยู่ในจิตใจคลายพิษถอนพิษคือราคาซะเนี่ยนะถอนพิษไข้คือราคะไข้ที่เกิดอยากราคาไปถอนให้มันได้แล้วก็ดับไฟที่มันเร่าร้อนสมทรวงไฟคือราคะ นะถอนลูกศอนที่มันเสียบแทงจิตใจปักอยู่ในใจคือลูกศอนคือราคะเขาบอกว่าลูกศรคือราคะถ้ามันปักในใจเนี่ยเรา้อถอนยากเพราะฉะนั้นะพยายามผ่าที่จะถอนแต่ว่าห้ามใช้มีดให้ใช้ปัญญาสางชัดสิ่งที่มันรกมันชัดคือราคะเนี่ยนะสางชัดสิ่งที่มันรกรกมากๆร ก, กขนาดไหนเรียกว่ารกป่าชัด ก็คือราคาเนี่ยนะมันก็บอกว่าอันโตชตาประหิชตาเนี่ยนะมันชัดทั้งภายในมันชัดทั้งภายนอกชัดทั้งบริการของตนชัดอยู่ในบริการทั้งของผู้อื่นชัดอยู่ในเรื่องในอดีตชัดอยู่ในเรื่องอนาคตชัดในเรื่องปัจจุบันชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมูสัตว์มันรกชัดขนาดนี้ทำยังไงจะถอนได้นั่นนันก็พยายามสะสางชาระไอ้รกชัดอันนี้ให้ได้ ย่อมออกจากวัฏตะด้วยอนิมิตตะวิโมกเนี่ยนะก็พิจารณาอนิจจานุปัสสนาให้เจริญอนิจจานุปัสสนาให้มากให้บ่อยให้ให้ให้เยอะที่สุดจะเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่ได้เที่ยงนะความสุขเหล่านี้เป็นของไม่ยั่งยืนถ้าความสุขเหล่านี้หมดไปอะไรจะตามมาก็พยายามดํารงมั่นพิจารณาอยู่อย่างนี้นะเจริญอนิจจานุปัสสนาพิจารณ า, า, ณ า, า, รณาความไม่เที่ยงของ สังขารทั้งหลายเหล่านี้ให้บ่อยให้มากเท่าที่จะจะทำได้ให้เห็นนั้นบุคคลที่เป็นราค่าเจริตควรศึกษาเช่นนี้แลคือศึกษาอยู่ในอธิจิตตสิกขากล่าวคือสมาธิละโลภาอากุศลมูลไม่ใกล้ชิดั菩ะที่เป็นผลแห่งสุขเวทนาคือหมายความว่า菩萨ที่ให้ให้ผลคือสุขเวทนาเนี่ยอยากใกล้ชิดนะให้ห่างหน่อยแล้วก็กําหนดรู้สุขเวทนาชํมระมนทินคือราคะกวาด ฝุ่นละอองธุลีคือราคะคลายพิษถอนพิษไข้คือราคะดับไฟที่มันสมสวงคือราคะถอนลูกศรที่มันปักอยู่ในจิตใจคือราคะสสงชัดสิ่งที่มันรกชัดคือราคะออกจากวัตะด้วยอนิมิตตาวิโมกเจริญอนิจจานุปัสนาให้มาก พิจารณาในสิ่งที่เราได้รับว่าความสุขเหล่านั้นเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่คงไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ถาวรเมื่อพิจารณาเห็นความไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่แน่นอนของสังขารธรรมทั้งหลายด้วย อ, อนิจจานุปัสสนา อ, อนิจจานุปัสสนาเมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นนั่นแหลเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรตมันอริยมรตเกิดขึ้นก็ กำจัดบาปอากุศลได้อย่างเด็ดขาดถาวรทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคนโทสะจริตนะคนขี้โกรธคนโกรธย่มีผิวพัรรณซามเป็นต้นเนี่ยนะทั้งทำไงดีถ้บุคคลผู้ขี้โกรธเนี่ยนะขี้โกรธหมายความว่ามันโกรธบ่อยๆเดี๋ยวก็พายคิดพิษโกรธออกมาเนี่ยนะทำจากอะไรบ้างจากสีหน้าแววตากิริยาท่าทางเป็นต้นเนี่ยนะใครเรียกว่าโทสะจริตมันโกรธบ่อยโกรธเป็นปกติว่างั้นเถอะยังไม่แย่แล้วโกรธแล้วอย่างนี้นะ คนนี้ก็ทำอไรดีให้ศึกษาในอธิศีและศิขาศึกษาในอธิศีเนี่ยนะเน้นพิเศษคือให้ละอกุศลมูลคือโทสะเนี่ยนะเกะี่ยวกาบทำให้จิตใจมันสงบร่มเย็นเ ก, กี่ยวกัโลกร่มโลกคือชีวิตของเราจะให้ร่มร่มเย็นได้ก็อาศัยมีศีนศีนเนี่ยเขาบอกว่าสีตะละเนี่ยนะเป็นความสงบความร่มความเย็นเอาศีนเนี่ยนะที่สงบร่มเย็นเนี่ยนะก็ พยายามที่จะถอนรากถอนรากคือโทสะที่เป็นรากเป็นพิษเนี่ยนะถือว่าเป็นรากที่เป็นพิษนั้นโทสะที่เป็นอกุศลมูลก็คือรากเง่าแห่งความชั่วร้ายคือโทสะเป็นรากที่เลวร้ายมากที่ทำให้อะไรเนะีมันยิ่งกว่าแผลติดเชื้ออีกนะแล้วก็เจ็บแสบปวดร้อนมันก็ถอนรากอันนี้ทิ้งไม่ใกล้ชิดพัรษะที่ให้ผลเป็นทุกขเวทนาหลีกเลี่ยงเหตุใกล้ให้เครียดซะ เหลีกเลี่ยงเหตุที่ทำให้เกิดโทสะน่นะนะก็เรียกว่าอย่าไปไปใกล้นะก็เหมือนกับว่าคนที่มีแผลก็อย่าไปใกล้เชื้อเนี๋ยวมันจะติดเชื้อเพราะนี่ก็เหมือนการให้เหล็กเลี่ยงเหตุแห่งโทสะนี่นะนะขณะเดียวกันบอกว่าเหตุให้เกิดโทสะก็ไม่ชอบเจอสวยก็ติดอีล้ไงนีก็เจริญให้มันมากๆกแล้วกันน ะ, ะนีก็ให้แสดงว่าเจริญปัญญาให้มากๆแต่ถ้าหากว่า คนที่มักโกรธเนี่ยนะถ้าหลีกเลี่ยงเหตุให้เกิดโทสะได้มันดีนะก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่อักเสบอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาทิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะก็ลาบากะนะพันให้หลีกเลี่ยงเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดความทุกข์แล้วก็ท้ายทําปริญญากําหนดรู้ทุกขเวทนาว่าเห็นทุกขโดยความ เ, เห็นทุกขเป็นเช่นกับลูกศรเนี่ยนะพันถ้าทุกขเกิดเมื่อใดก็บอกถูกยิงอีกแล้วถูกยิงอีกแล้ว นะถูกระเบิดเผาผลานจิตใจเนี่ยนะเผาพลานอริยสัพย์คือศีลหมดตัวอีกแล้วเนี่ยนะพราะฉะนั้นก็มองเห็นว่าเออความโกรธที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากสร้างความเสียหายสร้างแต่ความเลวร้ายอุตสาหแสวงหาอริยสัพย์มาได้ตั้งรักษาศีลมาตั้งนานโกรธซะศีลหายหมดเลยนะศีลวิ่งหนีหมดเลยสารักษาศีลมาครึ่งวันโกรธอย่างเดียวนะสิ้นนึกศีลนี่จริงๆเนี่ยอ่อนแอนะบางทีเนี่ยกลัวความโกรธมากเลยนะนี้ เรียกว่าศีลเนี่ยหนีพลาวันอุตรลดไปหมดเลยเจอความโกรธเข้าไปบ่อยๆเข้ามันก็ถอนอะไรนะให้กําหนดรู้ความทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ถอนลูกศอนคื อ, เ, อเขาบอกว่าชําระความเศร้ามองคือโทสะนะความเศร้ามองความแปดเปื้อนความหม่นมองที่อยู่ในจิตใจกวาดทุลีฝงฝุ่นละอองเนี่ยนะคือโทสะแสดงว่าไอ้ทุลีฝุ่นอันนี้มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดานะมันประเภทฝุ่นแบบ เคยเห็นไอฝุ่นที่มันมันมันเจือด้วยก้อนไฟไหมไอฝุ่นร้อนๆแบบนั้นนะม่ะนะนก็พยายามกวาดฝุ่นอันนั้นออกจากจิตใจคลายพิษ่ะนะดับพิษคือโทสะอันนี้พิษอันนี้เรียกว่ายิ่งกว่าอสรพิษร้ายเนี่ยนะนะมันก็คลายพิษอันนี้ที่มันพ่นอยู่ในจิตใจแล้วก็ดับไฟคือโทสะที่มันสมสวงเยนะถอนลูกสอนคือโทสะที่มันทิ่มแทงที่ปกติแล้วถอนยากสางรกสางชัด คือมิตดคือโทสะออกไปแล้วก็ย่อมออกจากวัตตะด้วยอปปนิหิตะวิโมกมุขเพรา ะ, ะ น, น, นี้ต้องเน้นที่สมาธิหรือพิจารณาทุกขานุปัสนาแล้วก็พิจารณาตรงกันข้ามว่าตรงกันข้ามกับวัตตาที่มันร้อนรุ่มเนี่ยนะพระนิพานนั้นที่สงบทุกที่ดับวัตทุกข์เมื่อเจริญทุกขานุปัสนาพิจารณาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกขคือพระนิพานเนี่ยนะพิจารณา สิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตทุ ค, คือพระนิพพานก็เจร้อน้อมจิตน้อมสมถะและวิปัสสนาเพื่อแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่สงบระงับดับทุกข์อ น, นั้นมันกจะออกจากวัตตะด้วยอปปนิหิตะวิโมกเนี่ยนะคือสมาธิถ้าเราเป็นคนขี้โกรธอยู่แล้วก็เน้นหนักให้ใจนี่เป็นไปกับอปปนิหิตะวิโมกเนี่ยนะความหลุดพ้นด้วยความไม่ตั้งความปรารถนา เชื่อไหมว่าคนที่โกรธบ่อยๆเสียใจบ่อยๆก็เนื่องจากว่าหวังบ่อยๆก็เลยเสียใจบ่อยๆอนะต้องการบ่อยๆอยากมากเพราะนั้นพวกที่ที่โทรศัพบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันไม่สมไม่สมความต้องการก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องอกําจัดละคลายความหวังความปรารถนาเพราะว่ามันก็คิดได้เลยว่าปรารถนาเมื่ อ, อไรที่ใด อย่างไรก็รู้ว่ารักษาอากรารเตรียมเสียใจได้เลยว่างั้นนะนะพยายามทำความเข้าใจถ้าเราต้องการเท่าไหร่เราก็จะเสียใจเท่านั้นเนี่ยนะก็เผื่อเผืเผื่อความเสียใจเอาไว้ด้วยว่า ง, างั้นถ้าหากว่าต้องการก็อบอกเออต้องการไปนะถ้าเธอต้องการไปถ้าเธอเสียใจเธอไม่ต้องพูดบ่นอะไรอีกแล้วนะว่างั้นนะก็บอกกระจยตัวเองให้อยากไปแต่ว่าถ้าเสียใจห้ามห้ามบ่นนะ ทั้งทนได้นะอะไรเง like like so okay. ี้ยก yeah. ็ต like ้องคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องอนะบอกอยากได้ก็อยากไปถ้าเสียใจเพราะเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้นะตามใจนะต้องคุยกับตัวเองบ้างนะคุยกับตัวเองว่าเอออยากได้ก็อยากไปสิเอาแต่เธอเธอเสียใจแล้วจะรู้กันนะวันนั้นน่ะเดี๋ยวจะซัดให้น่วมเลยอะไรเงี้ยนะคุยกับตัวเองเอาไว้อย่างงั้นให้ดีๆเนี่ยนะเสร็จแล้วพอจะเสียใจก็ซ้ําเติมอีกวะอย่ามาซ้ำเติมกันนะวันนั้น ทีนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นโมหะจริญ จ, จว่าไงไม่ค่อยฉลาดเลยเนี่ยนะ่ลาคืนกลางวันมันเท่ากันหมดะนะคือมันเท่ากันว่างโง่เหมือนเดิ ม, มเหมือนกันเถอะมันผู้ที่เป็นโมหะเจริญมกักประพฤติไปด้วยอำนาจคว า, ความโง่ความเคลา่าเนี่ยนะความทั้งโง่ทั้งเคลาทั้งไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็ให้ศึกษาที่ปัญญาศิขาโง่ถ้าเยิ่งรู้ตัวว่ายิ่งโง่ยิ่งเรียนมากเนี่ยนะ นะเน้นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาอะไรที่ทําให้เกิดปัญญาเอาหมดอ่ะอันนี้ถ้ารู้ตัวว่างโง่ก็ยิ่งเพิ่มปัญญาเข้าไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยขี้กโกรธแต่นึกว่าตัวเองโง่ก็เลยไปภาคเพียร์น ย, ยิ่งกโกรธหนะักเข้าไปอีกก็เียว่าต้องศึกษาให้รู้จักเจติตตัวเองให้ให้ดีๆให้ถูกต้องนะมันคนที่ที่มากไปด้วยโมหะเนี่ยนะศึกขาที่ที่ควรเน้นเป็นพิเศษก็คืออาที่ปัญญาศึกขา เพื่อที่จะถอนรากถอนมูลนะถอนถอนรากเง่าแห่งบาปอากุศลคือโมหะไม่เข้าไปใกล้ชิดภัสสะที่ทำให้ผลออกมาคืออทุคมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาคนโง่ๆอยู่แล้วนะไปอยู่หลีกเลี่ยงในที่ที่ไปอยู่แล้วเฉยๆนะไปอยู่ในที่ใดแล้วเฉยๆ อ, อะไรนะใช้ใช้ใชอ้อยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหตุใกล้ให้เฉยๆนะปกติก็โง่อยู่แล้วแล้วก็ไปชอบไปหาอยู่ที่ที่ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยๆเนี่ยนะให้หลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นซะหลีกเลี่ยงก็ปกติเราก็โง่อยู่แล้วใช่ไหมไปหาคนเฉยๆด้วยจะไปกันใหญ่เลยใช่ไหมจะฉลาดขึ้นมากมันมบอกไม่มันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเฉยๆเนี่ยนะให้หลีกเลี่ยงที่สุดเท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มเชื้อเพลิงให้ความโง่เข้าไปอี ก, ก น, นะ แล้วก็พยายามที่จะ ก, กําหนดรู้อาทุกขม ส, สุขเวทนาว่าไอ้เฉยนี่มันก็บอกว่าบลายคนก็บอกว่าเขานี่เยเฉยแบบนั้นอะไรเกิดก็เฉยเฉยเฉยเฉยหลายอย่างอ่ะนะเฉยอุเบกขาอุเบกขามีห้าสิบห้าดวงแบบนั้นอ่าอุเบกขาเกิดร่วมกับจิตห้าสิบห้าดวงโลภะมูลจิตสี่ดวงก็มีอุเบกขาประกอบ โมหามูลจิตสองดวงก็มีอุเบกขาประกอบจากภูวิญญาณก็มีอุเบกขาประกอบมหากุศลยาณวิปปยุทธก็อุเบกขาก็มียาณสัมปยุทธอุเบกขาก็มีอุเบกขาในระดับปัญจมะฌานอุเบกขาในระดับอารูปฌานก็มีคุณมันใช้ใช้ประเภทไหนในบรรดาใช้ใช้ห้ประเภทเหล่านี้นะใช้ใช้สองดวงคืออุทธจักกับวิจิกิจฉานีนะก็ใช้ใช้แบบใช้ใช้ถ้าได้ก็ดีเนี่ยเรียกใช้แบบโลภะเนี่ยนะ เฉยว่างั้นเอาไหมแบบเฉยๆอ่ะเฉยจะเอาหรือไม่เอาถ้าได้ก็ดีว่างั้นนะที่นี่เฉยแบบโลภะเนี่ยนะก็ดูว่าความเฉยมีหลายกลุ่มว่าเราเฉยแบบไหนแต่ว่ารวมๆแล้วเฉยๆเนี่ยนะโดยมากมันเฉียดๆแต่ความนะความเฉยเหมือนกันนะเฉยก็เฉยมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละบางทีให้เน้นชำระความเศร้าหมองคือโมหะเนี่ยนะรากเหง้าแห่งบาปอกุศล นะที่ที่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองคือความงู้เขา่าแล้วก็กวาดทุลีฝุ่นละอองคือโมหะก็เรียกว่ากําจัดขมเหลืพวกนี้ออกให้หมดเลยนะเพราะว่าอะไรนะขมเหลที่มันมั น, ม, นมันดำปีแล้วก็โมนนเนี่ยมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นแล้วก็คลายพิษคือโมหะดับไฟคือโมหะถอนลูกสอนคือโมหะสางสิ่งที่มันรกมันชัดคือโมหะออกจาก วัตตะด้วยสุญญตะวิโมกเนี่ยนะสุญญตะวิโมกสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่โมหะเจริญเนี่ยยิ่งจะต้องไปศึกษาเรื่องสันตติเรื่องความเป็นกลมเรื่องกิจเรื่องอารมณ์เรื่องนะต้องเป็นนักแยกนักวิจัยนักพิจารณาพินิษครควรวนเป็นอย่างมากทีนี้อ้าวเจอของที่ชอบเราก็ชอบเจอเรื่องที่ไม่ดีเราก็โกรธโดยทั่วไปก็เฉยเฉยยังไงทําไงดีนะหมายความว่าเจอของดีเราก็ชอบ ของไม่ดีเราก็โกรธปกติก็เฉยๆยสรุปว่ามันได้ทั้งสามเจริญเลยจะทํำยังไงทั้งราคะทั้งโทสะและโมหะบอกอันนี้เอาสิขาให้ครบสามเลยนะเน้นทั้งอธิศีนอธิจิตและอาธิปัญญาอย่าไปคัดอย่าไปแยกเอาโอ้ฉันต้องอันนั้นฉันต้องอันนี้นะเพราะว่าอะไรนะมีรากแก้วทั้งสามรากใหญ่เลยนะรากคือราคะรากคือโทสะรากคือโมหะที่มันกลุ่มรุมอยู่ในจิตใจเพื่อนก็ต้อง เอาให้หมดเลยแหละที่ที่ศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเน้นถอนเจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญาถอนโลภะที่เป็นอกุศลมูลถอนโทสะที่เป็นอกุศลมูลถอนโมหะที่เป็นอกุศลมูลไม่ใกล้ชิดั菩ะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเพราะกําหนดรู้สุขเวทนาไม่ใกล้ชิด菩萨ที่เป็นที่ตั้งแห่ง ทุกเวทนาเพราะกําหนดรู้ทุกขเวทนาไม่ใกล้ชิดภ菩萨เป็นที่ตั้งแ네หง่งอ <needed> ุเบกขาเวทนาเพราะกําหนดรู<harmonic め て>้อุเบกขาเวทนาชําระความเศร้ามองแห่งจิตคือราคะชําระความเศร้ามองแห่งจิตคือโทสะชําระความเศร้ามองแห่งจิตคือโมหะกวาดฝุ่นละอองธุลีคือราคะกวาดธุลีคือโทสะกวาดธุลีคือโมหะคลายพิษพิษ ภายในคือราคะโทสะและโมหะดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟคือโมหะถอนลูกศอนคือราคะโทสะและโมหะสร้างสิ่งที่มันรกมันชัดคือราคะโทสะและโมหะออกจากวัดต่าด้วยอันนี้อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะฮะเจริญอนุปัสสนาสมอย่างที่บริบูรณ์ก็อย่างอะไร ยังนิพิธาให้บริบูรณ์นิพิธาที่บริบูรณ์ก็ยังวิราคาให้บริบูรณ์ยังเมื่อเจริญวิราคาให้บริบูรณ์นิโรธาปฏินิสักคาก็บริบูรณ์นั้นน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายน้อมไปเพื่อคลายกำหนัดน้อมไปเพื่อความดับน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งน้อมไปเพื่อความตรัสรู้น้อมไปเพื่อปรินิพานเนี่ย น, นะบรรดาสิกขาสาประการเนี่ยนะสิกขาสามคือที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาอธิ ป, ปัญญาสิกขาเหล่านั้น ผู้ที่เจริญปัญญาเสกขามากเนี่ยนะสุญญตาวิโมกเป็นปัญญาขันคือระกองแห่งปัญญากองแห่งปัญญาพันสุญญตาวิโมกมุกก็คืออนัตตานุปัสนาที่พิจารณาสัน ต, ติสมุหกิจอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะด้วยการเพิกถอนในความเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ว่าจะโดยสัน ต, ติโดย สมุหะโดยกิจโดยอารมณ์เนี่ยนะก็พิจารณาแยกแยะไค้ครวนพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนอันนั้นก็เป็นปัญญาเนี่ยนะนด้วยอนุภาพของอนัตตานุปัสสนาโดยที่มีปัญญาเป็นประธานเนี่ยนะนคนที่มากไปด้วยอนัตตานุปัสสนาก็จะมีปัญญาเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นประธานอ น, นิมิตตวิโมกมุกเป็นสมาธิขันเป็นกองแห่งสมาธิ เพราะว่าอนิมิตตวิโมกนั้นเป็นอนิจจานุปัสนามีสมาธิเป็นประธานพวกทุกขาอัปปนิหิตาวิโมกมุกเป็นศีละขันพวกพวกนี้เป็นทุกขานุปัสนาแล้วก็มีศีลเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิเป็นประธานศีลเป็นประธานแห่งการเจริญทุก ข, ขานุปัสนาสมาธิเป็นประธานแห่งการเจริญอนิจจานุปัสนาปัญญาเป็นประธานแห่งการเจริญอนัตตานุปัสนา เมื่อบุคคลนั้นเจริญวิโมกมุข ค, คือสุญญาตาวิโมกอนิมิตาวิโมกแล้วก็อั ป, ปนิหิตาวิโมกสามอย่างอย่างนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาย่อมเจริญกองแห่งศีลก็เจริญกองแห่งสมาธิก็เจริญกองแห่งปัญญาก็เจริญเมื่อกองแห่งศีลสมาธิปัญญาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็ย่อมถึงความเจริญนะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นกองแห่งศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นกองแห่งสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นกองแห่งปัญญาเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่เจริญศีลสมาธิและปัญญามันผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันก็เรียกว่าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิเป็นสมถะเพราะว่าศีลกับสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับความสงบ ปัญญาขันเป็นวิปัสนาเพิ่นสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นเป็นสมถะเนะเพราะเป็นความสงบส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นกองแห่งปัญญานี้เป็นวิปัสนาผู้ใดเจริญสมถะและวิปัสนาเหตุแห่งอุปติภพสองคือกายและจิตย่อมถึงความเจริญคุณธรรมสองประการคือกายและใจย่อมถึงความเจริญ กายใจเจริญยังไงกายกับใจตัวนั้นแหลก็คือศีลกับสมาธิศีลกับสมาธิเหล่านี้เป็นปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับพบเพราะอะไรเพราะว่าศีลสมาธิคืออะไรคือจารณะสิบห้าเนี่ยนะปฏิปทาสองคือศีลและสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับแห่งพบอันนี้ก็คือจารณราะสิบห้าพั้นการสงเคราะห์ศีลสมาธิก็คือสงเคราะห์ด้วยจารณะสิบห้าจารณะสิบห้ามีอะไรบ้าง สีละสังวรอินทรีสังวรโพเชเนมัตันยุตาชาคริยานุโยกแล้วก็ศัพ์ธรรมอีก7ประการคือฮิริโอตั ป, ปะวิริยะสุต ะ, ะสติแล้วก็ฌานอีกสประการเนี่ยนะปัญญาแล้วก็ฌานอีกสประการผู้ที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานเป็นที่ดับภพบเป็นที่ดับวัตะ ภิกษุนั้นหรือผู้นั้นเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วเป็นผู้มีศีลอันเจริญแล้วเป็นผู้มีสมาธิอันเจริญแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญรู ป, ปกายเจริญรู ป, ปกายก็คือเท่ากับเจริญองค์มรรคสองคือสัมมากัรมตะกับสัมมาวายามะนะสัมมารกรรมตะสัมมาวายามะย่อมถึงความเจริญ เมื่อเจริญศีลแล้วสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะก็ถึงความเจริญเมื่อเจริญจิตแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ย่อมถึงความเจริญเมื่อเจริญปัญญาแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปย่อมถึงความเจริญเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญกายเจริญศีลเจริญจิตและปัญญาเรียกว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาหรือเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและ อบรมปัญญาผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็คืออบรมมัสมีองคแปดนะอริยมัสมีองคปดเหล่านี้แหละที่เรียกว่านิยานิก ร, รรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบทุกขเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกขเป็นการเห็นพระนิพพานเพราะอาริยมัชอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นคุณธรรมที่เห็นพระนิพพานเป็นคุณธรรมที่สมบูรณ์ด้วย น, นะทั้งกายศีลจิตและปัญญาเป็นผู้ที่เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยอริยสัพย์ มันอริยมรรคมีองค์แก็ถึงความเจริญบริบูรณ์มรรคแบริบูรณ์ก็คือเป็นผู้ที่กามีกายภาวนาอะนะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาคําว่าอบรมกายอ่ะนะอบรมกายคืออะไรคือสัมมากรรมตะกับสัมมาวายามะเนี่ยนะสัมมากรรมตะกับสัมมาวายามะเรียกว่าอบรมกายจริงๆแล้วสัมมากรรมตะสสัมมาวายามะเป็นไปทางกายบ้างเป็นไปทาง ใจบ้างสมากรรมตะที่สงเคราะห์ด้วยรูปปัจจัยเมื่อรูปปัจจัยอันบุคคลเจริญแล้วย่อมถึงความเจริญสมากรรมตะที่สงเคราะห์ด้วยจิตเมื่อจิตบุคคลเจริญแล้วย่อมถึงความเจริญเมื่อบุคคลนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนาการแทงตลอดอริยสัจสีก็มีขึ้นการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะบรรลุมรรคผลได้ห้าประการคือใครที่อบรมสมถะวิปัสสนามีคุณธรรมตา ม, ามที่กล่าวมาแล้ว ครบถ้วนกระบวนความที่พูดมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้นะเขาจะบรรลุอริยสัจสี่ประการหนึ่งเป็นผู้อริยตรัสรู้อริยสัจสี่โดยเร็วพลันบรรลุเรียกว่าขิปตาที่ขโมบรรลุเร็วมากพวกนี้นะถ้าเจริญได้อย่างที่กล่าวมาแล้วบรรลุไม่ยากไอ้ที่บรรลุยากก็เจริญไม่ได้ข้อสองก็บอกเป็นผู้บรรลุด้วยการพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองวิมุตตาที่ขโมนะเป็นการหลุดพ้นจากบาปอากุศลหลุดพ้นจากสมุทัยทั้งหมด แล้วก็มหาทิขโมเป็นผู้บรรลุกองแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัศสนะอันประเสริฐวิปุลาทิขโมเป็นผู้บรรลุกองแห่งศีลเป็นต้นที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางนะศีลกว้างขวางสมาธิกว้างขวางปัญญากว้างขวางวิมุตติวิมุตติยานัทสนะเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่กว้างขวางต่อไป อนนาวเสสะที่ขโมบรรลุกิจที่ควรทําได้อย่างไม่เหลือเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทํากิจอะไรนะกิจ16ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือกิจในขณะโสดาปฏิมักสกธาคามีมักอนาคามิมักและอรหัตตมักก็ทํากิจเหล่านี้ได้อย่างไม่เหลือความเป็นผู้รู้อริยสัจสีได้เร็วพลันบรรลุกองแห่งศีลเป็นต้นอันประเสริฐบรรลุกกองแห่งศีลเป็นต้นที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางก็เป็นสมถะ สำหรับผู้ที่บรรลุด้วยการพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองบรรลุกิจที่ควรทําโดยไม่เหลือก็เป็นวิปัสสนาพันการเจริญคุณธรรมเหล่านี้ก็คือการพ่อพูนสมถะและวิปัสสนาถ้าเราสังเกตดูนะถ้อยคําที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะสระสงเคราะห์ลงมาก็ให้มันเหลออือย่อๆคือสมถะกับวิปัสสนาเพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามกา ร, ร, าาการผู้ที่เจริญสมถะและวิปัสสนาตามการได้ก็ ทำให้บรรลุมรรคผลได้เมื่อใดจิตฟุง้งซ่านขณะนั้นเป็นสมัยที่ต้องเจริญสมถะตามการเมื่อใดใจท้อแท้ท้อถอยหดหู่ก็สมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ต้องเจริญวิปัสสนาพรา ะ, ะถ้าหากว่าเรารู้จักสุขภาพจิตรู้จักคุณภาพจิตของเราเป็นอย่างดีการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่างนี้ก็สามารถจะทําที่สุดแห่งทุก์ได้ผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนี้ก็มีการบรรลุมรรคผล นะทำให้แจ้งโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้ก็เนื่องจากมีคุณธรรมคืออยู่ในคุณธรรมคือโสตาปฏิยังคธรรมสี่ประการโสตาปฏิยังคะธรรมสี่ประการก็คืออะไรเนื่องจากครบรู้จกักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี ฟังทรงจำคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างดีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพระธรรมคำสอนตรึกธรรมสอนได้อย่างมากมายและปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่การบรรลุมักผลนิพพานเนี่ยนะบรรลุโสดาปฏิมักสกาทาสกาทาคามิมักอนาคามิมักอรหอนาคามิมักและอรหัตตมักผู้ที่บรรลุมักผลเหล่านี้นี่แหละเป็นผู้ที่มั่นคงใน คนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่รู้จักพระพุทธเจ้าผู้มีกำลัง1ิบประการ น, นะนะกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการที่พระอริยบุคคลเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างก็คงไว้ต่อช่วงบ่ายๆก็แล้วกัน